ถ้าคุยเป็นส่วนตัวกับหลวงพ่อเทียนนี้จะได้แยกชิ ด, ดหลายแงกแลหลายมุมเพราะว่าสังคมไทยนี้เป็นสังคมที่มีความที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างนั้นพอพูดออกไปแล้วทำให้เกิดสะท้อนย้อนกลับเข้ามาหาแล้วก็เป็นภาคที่เป็นผลที่ไม่ค่อย ยอมรับกันเท่าไหร่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นคาราวารในชีวิตของความเป็นพระหรือผู้บรรลุธรรมนั้นคือเราได้ยินได้ฟังจากตำรักตาราก็ดีวันนี้นั่งรถมาก็เลยได้คำถามคําหนึ่งไม่ฉีถามไม่ฉีในรถจัดจองมาด้วยกัน เขาว่าพระพุทธวเจ้าแต่ละพระองค์เนี้ยจะกลับมาตับสรู้เป็นสมาสธิพุทธเจ้าเนี้ยใช้เวลาไม่รู้จิตกลับอีกกันในตำราเก็บอกว่าตั้งด้วยเลขหนึ่งแล้วก็บวกเลขศูนย์ไปอีกร้อยสี่สิบตัวเป็นกี่ปีทำไมทาไมมันนั่น ช้านานเลิศเกินในแล้หยิบมุมหนึ่งเขาบอกว่าภูเขาสูงหนึ่งยอดแล้วก็ร้อยีของเมืองมนุษย์เป็นหนึ่งตีทิพ์ของเทวดาแล้วเทวดานั้นจะเอาผ้าแผ่สบายอ่อนๆนั้นมาปักให้ยอดเขานั้นราบเรียบอันนั้นเป็นกับหนึ่ง พูดถึงเรื่องของความกว้างหนึ่งโยช น, นึ่งปีที่ของเทวดาร้อยปีของเมืองมนุษย์เทวดารูปนั้นจะลูกหนึ่งอ่ะจะเอาเมล็ดงานีนมาหย่อนลงใส่หลุมตรงนั้นให้เต็มขึ้นเสมอพระอขอบพระเตียบเสมอกันนั้นนั้นเลยตังอันนี้ เป็นคําที่หลวงพ่อเฉียนเคยพูดว่าหลวงพ่อบอกว่าเอายากระพักตอนก่อนนะนะยาหมองยากระพักเอามาเปิดไว้แล้วก็ใส่ทุกวนันทุกวนันตั้งแต่นี้ไปหาวันตายจะเตรียมได้ไหมมันเตรียมไม่ได้ไม่ต้องไปร้อยปีหรือสิบปียี่สบปีค่อยมาใส่ที่นี่เติมทุกวนันใส่ทุกวนันใส่ทุกวนันใส่ทุกวนักวน อันนี้คือความตำตรบตำราที่เราเคยได้เรียนนี่ให้ศึกษ า, ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่โอ้โหอีกคำหนึ่งบอกว่ า, าต้องสั่งสมบา ร, รมีเคยพูดอยิวัดก็เหมือนกันถามญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดยุคนี้เป็นยุคสร้างบา ร, รมี หรือว่าเป็นยุคที่ต้องทำสิ่งนั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นยุคที่สร้างบารมีนั้นคือเป็นยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์ที่สแสวงหาความหลุดพ้นอยู่แต่ยุคนี้เป็นยุคที่มีมีพระพุทธเจ้ามีสถานที่แล้วก็มีคำสอนสมบูรณ์แบบ สมุนแดกที่สุดแต่ทําไมพอพระสอนโยมทําบุญบารมีไว้ชาติหน้าจะได้เกิดทําพระพระพุทธเจ้านั้วจได้ฟังทำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าขอโทษนะเนาะชาติปางก่อนอาจเกิดเป็นมนุษย์ว่าปรารถนาอยากมาพบกำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังจะอธิษฐานต่อไปเกิดชาติหน้าขอริพบคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกสักอง นี่เหลือคือชาวพุทธทำไมใช้พระพุทธเจ้าเปลืองเลือเกินสิ่งที่พระองค์ตรัสถรู้แต่ขนาดนี้ทําไมเราไม่ทําสิ่งนั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วมัวมัวแต่ไปหามัวแต่ไปค้นหาหาอะไรไม่รู้หาตำรามก็เห็นตำราหาอาจารย์ก็เห็นอาจารย์แต่ไม่เคยคิดค้นหาตัวหาตัวเอง ไปพบที่ไหนที่ไหนก็หาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เจอถึงครูบาอาจารย์นี่นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธควรที่จะกรับมาเปลี่ยนแปลงตนเองทีนี้ความสูงนะหนึ่งยอดก็เลยมาให้ความหมายว่าเออคนเราลองเราลองสังเกตดูทิ่ว่าเมื่อตบอยู่ในภงวงของอานาคตข้างหน้านะ ละหมกมุ่นคุ้นชิดยู่เรื่องของอนาคตข้างหน้าไกลฝันหวานทึงเรื่องอนาคตข้างหน้าฝันหวานทั้งความสุขแม้แต่ฝันหวานกับเรื่องสวรรค์ฝันหวานก็ทั้งเรื่องของนิพพานในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ฝันไปเรื่อยยี่ไปเรื่อยทําไปเรื่อยบุญทําก็ทําไปเรื่อยบุญก็ทําไปนี่ไปายเรื่อยไปไป ไม่เคยย้อนกลับเข้ามาหาต้นเกิดํำเนิดที่เกิดของชีวิตในปัจจุบันตรงนี้ใอบ้างอันนั้นคือความสูงที่มองถึงความลึกหมกมุ่นคุณนชิดในเรื่องของอดีตเศร้าฝันซึมเสื่อซึมอยู่กับในภาวะของอารมณ์ของอดีตไปไหนไม่ได้ถอนตัวเลี่ยกไปได้นิ่ง ไ, ได้ หลวงพ่อเทียนให้บอกตัดมากลับมาอยู่กับความรู้สึกตรงเนี้เปลี่ยนจากความชิดฟุ้งปรุงแต่งกลับมาเป็นความรู้สึกตัวในขณะ น, นี้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะตรงเนี้ยอันนั้นคือมล็ดงาที่หยอดลงไป็นในใส่ใสลงไประเดีหลุมนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเต็มมากขึ้นมากขึ้นความเป็นตัวสติตัวปัญญาเกิดขึ้นมานี่คือว่าเรามองเห็นสภาพสภาวะตรงนั้นทําไมต้องใช้เวลานานหรือเกิน แต่หลวงพ่อเรียนกลับมาทิ้งตรงนี้ให้ให้เราเห็นเด่นชัดเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นว่าชีวิตในปัจจุบันมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเนี้ยทําไมต้องไปใฝ่หาเรื่องของอนาคตทําไมใฝ่หาย้อนกลับหาเรื่องของอดีตไปกลเกินเกินปัจจุบันบางครั้งมาขนาเราฝันหวานฝันเรื่องของอนาคตบางคนอยากรู้เรื่องของเออรู้เรื่องว่าตนเองเกิดมาในอดีตจนเองเกิดมาเป็นอะไรทําไมเป็นแบบนั้น รู้ก็ทำไม ร, รู้แค่ววป็นรู้ว่าตนเองเกิดเป็นพระราชาในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วจะเป็นทองเมืองไหนแล้วมีประชากรเท่าไหร่ทําไมทําไมปัจจุบันในขณะนี้เราทาไมไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความดดเด่นที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนตรงเนี้ทําไมต้องให้เคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวของ รูปแบบของการเคลื่อนไหวเนี้จะเป็นการฉุดจากสิ่งที่เราเคยดิ่งลงสู่ในอดีตนะตกลับให้มาอยู่กับความรู้สึกตัว เ, เองให้ดดดเด่นขึ้นแล้วนั่งละแ ม, ไม้ไม่ดอดเด่นละนั่งละแมย้ยิ่งนั่งยิ่งดิ่งขอโทษนะนะัณปัจจุบันนี้ก็ยังมีมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังวนะ่าโอ้โหสายพระวัดป่าเขาบอกว่า กลับมาเคลื่อนไหวแบบจจริสติแบบหลวงพ่อเทียนนี่โอ้โหดิ่งลงสู่สวงสู่สมาธิได้เร็วไวที่สุดที่สุดอาข้าวองจริงสิ่งนั้นหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนหลวงพ่อเทียนที่จะเปลี่ยนแปลงคนมาที่นั่งอยู่นิ่งๆเปลี่ยนให้กลับมาดึงการเคลื่อนไหวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นคนนั้นติดเรื่องของกองสลบทะหลวงพ่อเทียนกลับมาให้เคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้ปลุกร่างตรงนี้ให้มีความตตื่นขึ้น เป็นสิ่งท้าทายสังคมในชุมแล้วทุกวันนี้ก็ยังกำลังจะนำสิ่งนั้นเอามาเออเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าบางทีเคลื่อนไหวเฉมลอยเคลิ้มเชีวสบายไม่มีอะไร ว่างเ ช, ะชะื่องไม่มีอารมณ์ใช่ให้แบบนั้นแบบนั้นลักษณะ น, นั้นก็ไม่ใช่ลอยเพิมก็ไม่ใช่ดิ่งลงสู่ในอัตถีก็ไม่ใช่ต้องต้องจับประเด็นและจับคำสอนสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนให้ชัดเจน ไม่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็คุ้มครือกอะไรหมดเครื่อนใหม่ท่าต้องการให้เราถอนออกกันจากความดิ่งลงสู่สมาธิตรงนั้นถึงบอกว่าผมนั้นน่ะเนื้อตัณมาเนี้ยสมัยเป็นเด็กเนี้ยเด็วกว้านอกอกันนะเยวพ่อเขาไหว้าหพาสวดมนต์นี้ ฟังเสียงสวดรู้สุกมันเพาะทิ้งอีกในเสียงสวดจําได้ฟังแล้วสึกมันมันมีความคร้องจองมีควา ม, พมเพาะสอดมีดีดีว่าฟังแล้วมันสมันมันเพาะไพเราะดีอ่ะนั่งฟังฟังไปฟังมาเชื่อมไหมว่าวจิตในขณะนั้นมันหล่นลงสู่สมาธกดสู่ผวางอายุแท้แปดเก้าขวบนะ จิตมันหล่นสู่ตกลงสู่หล่นสู่เวังปั๊บลงไปเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทําไมทําไมเป็นแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้ยินไม่ไม่อยากฟังเสียงใครแล้วอนี้ยไม่ฟังไม่อยากฟังเสียงกับสิ่งที่เสียงสวดนั้นแต่ว่าต้องการที่อยากจะเข้าไปอยู่ในตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมุมสงบมุมมุมสงบแล้วก็มีความสุขมีความอิ่ม จิตจิตตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่รู้เรื่องของสมาธิไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่อะไรเป็นเพราะอะไรไม่รู้จะถามให้ใครใครถามใครสนธนาไทรถามไม่เป็นไม่จะถามเริ่มต้นที่ตรงไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเรียนรู้เลยเพียงแต่พ่อไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์ตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็ น, อนเออลุกขึ้นมานั่งฟังฟังเสร็จแล้วก็มันก็เกิดความเพลินแต่สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะ มันเป็นสิ่งที่เราให้คาตอบมาช่วงหลังก็มาอีกภาพที่หน้าที่ลมชมชื้นนั้นรู้สึกวันมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเราไม่อยากจะเห็นนี่เป็นภาพที่น่ากลัวเสียดสยองมากทีมากแต่ภาพตนั้นเราไม่อยากจะเห็นพอมัไม่อยากจะเห็น พออยู่ในที่สงบปั๊บลงไปจิบมันดิ่งครับ ว, ว่าบางคนว่าโอ้โหก่จิบจะลองสู่สมาธิได้เลยโอ้โหมันใช้เวลาเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแต่ว่าอาตมาแล้วผมว่าไม่นานเพียงห้านาทีสองนาทีสามนาทีห้านาทีนี้จิบลองสู่สมาธิตั้งันทีโอ้โหทไงเว้ยพอทุกอยู่ลักษณะนั้น หลนองขงตื่นอยู่ขนานั้นจะถามใครใครก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายัางไงถามใครถามก็ว่ายัางไงนี่ยังไงพอดีอายุครบบวชอายุครบบวชก็เลยบวชจริงๆแลยความคิดมันเคยคิดว่าจะบวชแต่ว่าพอมาถึงจุดๆนี้ก็ว่าน่าจะไม่น่าจะศึกษากับสิ่งเหล่านี้บ้างามันคืออะไรทําไมมันสงสัยยังทำไมไม่มีคำตอบ ไม่มีคําตอบกับสิ่งนี้พอบทบทเสร็จก็บทยืดย่งอนแกน่แต่ว่ามีพระรุ่นที่บวชก่อนพรรษาหนึ่งว่าไปวิปัสสนากรรมฐานกับผมไหมาให้ปัสสนากรรมฐานก็ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ทํามันยังไงไม่รู้แต่ว่าคำวิปัสนามันยลนยิน่งมองวิปัสสนามันกระพบใจของเรานีนรู้สึกว่าออื มัน น, ม น, น่ามันน่าศึาสุานะก็เลยตัดสินใจเดินทางตามมาที่ป่าพุทธิยานนะปีสองสองวัดป่าพุทธิยานกำลังเท็จันจะมันสายที่นั่นมาเห็นรูปแบบการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนนี้โอ้โหเหมือนกับโดนค้อนทุบหัวไม่เคยคิดว่ารูปแบบการเจริญสติแบบนี้จะมีในประเทศไทย เรารู้แต่ว่าเรื่องของสมาธินี่เราใช้แต่ว่าการนั่งทําความสงบนั่งได้นานเท่าไหนนะาร่นั้นคือสมาธิมากเท่านั้นแต่พอเราก็เถียให้เคลื่อนไหวโอ้ยอะไรใครสอนทำไมเนี่ยพระพุทธเจ้าจไม่สอนแบบนี้อายก็อายมายกม้ยกมือสร้างแต่ว่าโอ้ยสู้นั่งสงบสงบแบบนี้ไม่ได้ทุกบอกว่ารูปแบบขอารมเถียง น, นี้เป็นรูปแบบที่ท้าทาย จงกระทั่งว่าบวชใหม่นะมามีือนค่าแช่ค่ารถมาถึงที่วัดท่นั้นป่าทิพยว่ป่ า, ปาพุทิยานเท่านั้นแต่ว่าจะกลับอยากกลับก็ไม่ยืนค่ารถกลับนะอยู่ก็อยู่เว้ยอยู่ก็จะฉันข้าเหมือนกันนี่นะแต่ว่าไม่ปฏิบัติเป็นนั่งนั่งทำสมาธิเหมือนเดิมแต่ว่าความนั่งสมาธิเหมือนเดิมเพราะว่าคนนั้นก็กลับเข้ามาอีกตลอด มีคำคำหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนที่ฟังเทพเทพหลวงพ่อเทียนมัยนั้นตอนนั้นหลวงพ่อเทียนอยู่ที่วัดานะเป็นวั ด, ว ด, วดสนามในวัดสวนแก้วน่ะเป็นวัดสวนแก้วจำภาษาที่ว่าสวนแก้วจำในกรรมศาสตร์หลวงพ่อเทียนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเรามันติดในรูปแบบ การนั่งทำสมาธิคือการนั่งสมาธิคือการนั่งอยู่นานๆนเรียก่เป็นสมาธิมันมันตรงใจดนใจเราทัเลยนพอพูดอะไรมามันดนมันถูกใจหมดทั้งหมดเลยนี้วทำไมว่าด่าทำไมว่ากันเราตอนนั้นเองเออพอรู้ว่าหลวงพ่ อ, อเทียนดิหลวงพ่ อ, อเทียนชื่อหลวงก็ อ, อเทียนแต่ว่ามันยังไม่เห็นตัวตนท่าของท่านหลังจากท่านกลับไปแล้วนี่ไปแล้วนี่เลยตัดสินใจว่าเขาบอกว่า เข้าภาษาแล้วเนี้ยจะเป็นยังไงก็ท่านน่าจะมีอะไรแต่ว่าความโดดเด่นในสิ่งในตัวของพรเถนี่ท่านเป็นคนที่มีความสงบมากสงบในแบบสงบแบบเสแสงแกล้งสงบเหมือนนะเป็นความสงบที่เราสัมผัสได้วใิใใจัยของเราเนี้ยจะเป็นเป็นมโนธรรมจะมีความรู้สึกว่าทาไมทำไมเ ย, ย็นลเกิน ก็เลยลองมานั่งตัดตัดสินใจมานั่งทำสมาธิการทำสมาธิการนั่งสร้างกว่าตอนนั้นก็อยู่กุฏิต้นต้นกระถามตัวคนเขาจะไปขึ้นไปมองนี่มองก็หากระดาษติดร่องช่องเป็นรูนี่เป็นรูกลัวคนอื่นเขาจับจะายเตะสองดูประตูที่มันมีนี่ก็ผ้าเป็นกั้นเอาไว้อายคนมายกมือสร้างจังหวะ ในขณะที่ยกมือสร้างจังหวะนั้นปกติถ้าเราอยู่ในในความสงบเลานิง่งจิตมันจะดิ่งลงตกสู่ระห่วา ง, ทงทัน ท, ทีทันทีวันนั้นก็เหมือนกันจิตกําลังจะดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งหัวตัดตรงแต่มันมีอะไรทไี่รู้วมันโฉบควัดขึ้นอีกขึ้นแทนที่มันจะดิ่งลงสู่ระวามันกลับได้ลงเฮ้ยทําไมอะ ทำไมทำไมเป็นแบบนั้นยกเลยอีกจิกกาลังดิ่งพอดิ่งปุ๊บมันก็อีกตัวหนึ่งก็โฉบปั๊บขึ้นมานขึ้นมาเฮ้ยทําไมไม่มันไม่ลงอ่ะยกเลยพอครั้งที่สามให้คําตอบว่านี่คือสิ่งที่เราแสวงยคานี่คือสิ่งที่เราแสวงยคาแล้วต้องไปขอคําตอบแก่ลงก็เปลี่ยนเลยตอนนี้พอทําลงไปโอ้โอ ทำไมทำไมถึงเข้าใจทำไมพระอุบาอาจารย์ทั้งหลายทุกตัวนี้ชอบชอบให้นักปฏิบัติธรรมนั้นจิตอยู่ในสมาธิแช่อยู่ในสมาธิพอกว่าสุขเพื่อเกินถ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแค่นี้น่ะแล้วจะต่างอะไรจากพวกฤษีชีพัยที่เขาสอนกัน ทึงความแตกต่างและความแตกต่างระหว่างครูปริญญาต่อสอนคำสอนของครูปริญ้ากับคสอนของพวกเรืส่สีฉีภัยทั้งหลายแตกต่างแต่แตกต่างกันด้วยอย่างชิ้นเชิงทีนี้จริงมาเห็นคำสอนของพระเขียนตรงนี้มีพระสักกี่รูปทีเคยที่จะนำที่จะพูดลนนนักษณะนี้ชุดคนออกจาก จากมุมคุกความสงบตรงนั้นออกมาในนีน้มีตอนที่ไปมกุราชิฐานมาไปที่กองโจรกับท่านยันนทะมีฝรั่งคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมด้วยได้ได้ภรรยาคนจีนจะขึ้่านจะคุยที่ห้อง บอกว่าสมาธิที่ผมทําเนี่ยมันอย่างที่คุณหมอถามหลวกพ่เทียนสมาธิที่ผมทําเนี่ยกับสมาธิที่หลวงที่หลวงพ่อมาสอนนีมันแตกต่างกันอย่างไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนักออกแบบอุปกรณ์การอินเขาเขาก็ต้องใช้สมองเทศความคิดอยู่กับสิ่งเนนั้น แต่วัานี้โยมสมาธิของโยมมันเหมือ น, ม, นมันห้องห้องหนึ่งเดียว่าโยมนี้ไปเห็นแค่มุม่มๆเดียวของห้องอันนั้นโยมจะถือว่าเป็นห้องในสมบูรณ์แบบไหมไม่ใช่พอให้ทาไปทำก็เกิดคำถามว่าสมาธิแบบนี้ใช่ไหมที่ทำให้เป็นที่ทาให้ริเจ้าตัดสู้ สมาธิแบบนี้ใช่ไหมที่ทําให้พระพุทเจ้าตั้สงฆ์เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ ไ, ไม่ใช่จะใช่สิ่งที่เล่นเล่นเล่นจะสับแต่ว่าเล่นเล่นสับแต่ว่าทําให้เฉยๆต้องต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเราจะทําอะไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแต่ถ้าให้ถ้าทําแล้วได้มีเป้าหมายจะทําอะไรไปก็ไปแล้วก็ อย่าให้เป็นอย่าให้เ ป, เ, ปเป็นและแค่รูปแบบสารสำคัญที่เราเรียนเพรากันอยากให้คนเข้าถึงเข้าสึงสุภาวะตรงนั้นอย่างที่ท่านเคยพูด่อในอปลวชีสีเศษเมถุนรับของเขาฆ่ามนุษย์นอกคันในคันแตรลับของเขาบอกว่าเหมือนจะไป หยิบยืมตลอดกาลมาพูดเสพคือเสพกับความสงบเสพติด อ, อยู่กับความสงบติด อ, อยู่กับความสงบนั้นเขาจะเสพอยู่ตรงนั้นคํ mm hmm. าว่าฆ่ามามามามาคล่องใจหรือมาสะดุดใจหรือว่าฆ่ามนุษย์นอกขันในขันตัก็เขีนในความหมาย มาชาติในตัวมนุษย์เรามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ติดตั้นสิ่งเหล่านั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นนั้นก็คือการฆ่ามนุษย์ไปคอยทําไมเรื่องตั้งแต่อดีตไปคอยทําไมเรื่องพบเรื่องชาติหน้าชาติก่อนชาติชาติปัจจุบันนี้ทำสิ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้นลอยนี่ไต้องระวังผลไม่ต้องระวังผลที่จะชาติหน้าหรือไม่ต้องระวังผลที่จ ขอทุกในปัจจุบันนี้จัดการกับทุกในปัจจุบันตอนนี้มันชักเย็นเด็ดขาดไปกลับมาเกิดก็ไม่มีปัญหาไม่เกิดก็มีปัญหาสัพท์ภาษาตนนภาวนาในปัจจุบันนี้กำลังติดตลาดนั้นภาวนาเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดแต่พวกนี้ยังยังสับสนอยู่ทุกคนไม่รู้จักทิศจับทางจับจับถูกลิศจับทิศทิศทางไปทางไหนทิศไหนไม่รู้ว่าจะไปทํางทิศทางไหนทิศไหน แต่ถ้าชัดเจนในปัจจุบันในขณะ น, นี้เกิดก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็ไม่เป็นไรสติในตัณหาชัญยะของเรามีความชัดเจนโดดเด่นไปตรงนั้นรู้เท่าทันกับภาวะที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอทุก อ, อย่างแล้วจะไปรอใครแล้วจะไปรอพระพุทธเจ้าไหนกาตักรู้สิ่ง น, นี้เรามีอยู่ธรรมชาติส่วนนี้มีเรามีอยู่แต่ว่า ขอให้ทำสิ่งนี้ปรากฏเกิดขึ้นกับตัวเราอย่าเพียงอาศัยขออ้อนวอนจากพระคุบาจาจจากพระพุทธเจ้าหรือจากเทพสวงสวรรค์ท่งหลายั้งพวกขอให้ทำตัวของตนเองตรงนี้อย่าทำตัวของตนเองนั้นเป็นภาระทั้งเทศเรื่องบนและคนเบื้องล่างมันไปหมดทั้งหมด ใช้ตัวตนที่มีอยู่นี้ให้จิดประโยชน์ให้มากทีก่สุดเพราะนั้นช่วง น, งนี้ก็คงจะขอจบไป่เพียงแค่นี้ก่อนนีก่อน